บุ๊กทูสามสรถเสียอุตโมบิลเนียพัลลุมก้าปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะเจ н นโฮดิเซ่บลิเจช ш а я а อ т о з а п р а в о ч н а я станция? ยางรถของดิฉันแบนค่ะแปลงยี่ส์พุชจิลชินะเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ Вы можете поменять ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะมันยึดระบายยี่ส์กันกี่ลิตรดีเซลนะพะลิวบดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ คุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะคุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะ У вас ี с т ь з а п а с н ัน к а н и ะ т р а มีแกลอน้ำมันไหมคะคุณมีแทลอนน้ทมัไหมคะคุณมีแกลอนน้ำมัน н หม а ะคุณมีกลอนน้ำมันไหมคะกลอนน้ำมันไหมคะคุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะคุณมีแกันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ Я шукаю с т а н ц ี ю т е х н ค ч н о г о обслуж в а н ย я เกิดอุบัติเหตุ з д а р ์เ а เียตู้โทราศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะเจ л นาควรจะตั้งรีเชติเฟลคุณมีโทราศัพท์มือถือไหมคะว่าเสียส собой мобильный телефон เราต้องการความช่วยเหลือค่ะน้ำพัตริบนาดัปโมค่ะตามหมอให้ทีค่ะ в ы к л ต ч จ т е д о เ т о ร а เรียกตำรวจให้ทีค่ะ л ิ ч ฤ т е полицию ขอดูเอกาสารของคุณหน่อยค่ะ ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Ваша ข, ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Ваши на